พระอรหันต์ขึ้นไปเชิญมหาเสนะเทพบุตรในคราวนั้นมีพระอรหันต์ร้อยโกฎอาศัยอยู่ที่ถ้ำรักขิตะเลนะในภูเขาหิมพานได้ทราบประวัติการของพระเจ้ามิลินแล้วจึงได้ขึ้นไปประชุมกันที่ยอดภูเขายุคนอรถามกันขึ้นว่ามีพระพิสุองค์ใด สามารถโต้ตอบกับพระเจ้ามิลินตัดความสงสัยของพระองค์ได้ถามกันอยู่อย่างนี้ถึงสามครั้งพระอรหันต์ทั้งร้อยโกรธก็นิ่งอยู่ลำดับนั้นพระอัสสะคุตตะผู้เป็นหัวหน้าจึงกล่าวขึ้นว่าดูกรท่านทั้งหลายมหาเสนเทพบุตรที่อยู่ในเกตุมมวดีวิมาน ทางด้านทิตะวันออกแห่งเวชยันตวิมานของพระอินมีอยู่มหาเสนเทพบุตรนั้นแหละอาจโตตอบกับพระเจ้ามิลินได้อาจตัดความสงสัยของพระองค์ได้พระอรหันต์ทั้งร้อยโกฎจึงได้พร้อมกันขึ้นไปหาพระอินที่ดาวดึงสเทวโลกพระอินจึงเสด็จออกมาต้อนรับ กราบไหว้แล้วถามว่าข้าแต่ท่านทั้งหลายมีพระพิสุสง์มาเป็นอันมากโยมนี้เป็นเหมือนกับคนวัดสำหรับรับใช้พระพิสุสง์จะให้โยมทำอะไรขอได้โปรดบอกเถิดพระอัสสระคุธจึงถวายพระพรว่าเวลานี้มหาราชาองค์หนึ่งทรงพระนามว่ามิลิน อยู่ในชมพูทวีปเป็นผู้ได้เรียนศาสตร์ต่างๆไว้เป็นอันมากฉล า, าดเจราจาไม่มีใครสู้ได้ได้เที่ยวเบียดเบียนพระพิสุสงค์ด้วยการถามปัญหาตามรัฐิเดียรถีขอถวายพระพรพระอินจึงตรัสว่าอ๋อพระราชาองค์นั้นได้จุติไปจากดาวดึงนี่เองอย่างนั้นหรือมหาบาพิษ อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าผู้ที่จะโต้อตอบกับพระเจ้ามิรินได้นั้นมีแต่มหาเสนเทพพบุตรเท่านั้นโยมจะไปอ้อนบอนเขาให้ลงไปเกิดในมนุษย์โลกตรัดดังนี้แล้วพระองค์ก็พาพระพิสุสงเสด็จไปที่เกตุมวดีวิมานทรงเข้าไปสวมกอดมหาเสนเทพพบุตรแล้วจึงตรัดขึ้นว่านี่แนี่ มหาเสนะผู้หาทุกมิได้บัดนี้พระพิสุสงขอให้เจ้าลงไปเกิดในมนุสสยโลกมหาเสนะเทพบุตรจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าข้าพระองค์ไม่ต้องการลงไปเกิดในมนุสสโลกเพราะมนุสสยโลกเดือดร้อนด้วยการงานมากข้าพระองค์จะขึ้นไปเกิดในเทวโลกชั้นสูงสงต่อขึ้นไป แล้วจะเข้านิพพานจากเทวโลกชั้นสูงนั้นพระเจ้าค่าพระอสระคุตตะเทระจึงกล่าวขึ้นว่านี่แนะ่ท่านผู้หาทุกข์มิได้พวกเราได้พิจารณาดูตลอดมนุสยโลกเทวโลกแล้วไม่เห็นมีผู้อื่นนอกจากท่านที่จะสามารถทำลายถ้อยคำของพระเจ้ามิลินได้ สามารถเชิดชูพุทธศาสนาไว้ได้พระพิสุสงฆ์จึงได้ขึ้นมาอ้อนวอนท่านขอท่านจงลงไปเกิดในมนุษยโลกยกย่องพระพุทธศาสนาไวเ้เถิดเมื่อพระพิสุสงฆ์อ้อนวอนอย่างนี้แล้วมหาเสนาเทพบุตรจึงกราบทูลพระอินทร์ว่าถ้าอย่างนั้นขอพระองค์ทรงประทานพรแก่ข้าพระองค์ ให้ค้าพระองค์ทำลายล้างถ้อยคำของพระเจ้ามิลินได้สามารถเชิดชูพระพุทธศาสนาไว้ได้เถิดพระเจ้าค่าครั้นกราบทูลดังนี้แล้วก็ร่าเริงดีใจมีใจฟูขึ้นถวายปฏิญญาแก่พระพิสุสงิ์ว่าข้าพระเจ้าจะลงไปเกิดในมนุษย์โลกแล้วก็รับพรจากพระอิน ลำดับนั้นพระพิสุสงฆ์จึงถวายพระพรลากลับลงมาสู่ถ้ำลักคิตะเลนะในภูเขาหิมพานอีก